ไม่เคยเลกิกมีเคยแต่ทำคนที่ดื่มสุราติดสุราเวลาจะเลิกดื่มสุรานี้จะรู้สึกว่ายากแต่คนที่ไม่ได้ดื่มสุรานี้จะให้ดื่มสุราก็รู้สึกว่ายากเหมือนกันเพราะไม่เคยเดื่มสุรามาก่อนแต่คนที่เคยเดื่มสุราแล้วติดสุรานี้จะเลิกดื่มสุรายากจะดื่มสุราง่าย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 ถ้าเราไม่มีสัจจะตั้งอะไรไว้ก็จะไม่เป็นผลตามมาถ้าเรามีสัจจะจะทําอะไรแล้วเราก็จะต้องทําตามที่เราตั้งไว้พอถึงเวลาอยากจะเดื่มสุราเราก็ต้องใช้ความพยายามบังคับใจไม่ให้ไปเดื่มสุราให้ได้เวลาไม่ได้เดื่มมันก็จะรู้สึกทุกข์ทรมานใจก็ต้องใช้ขันติ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 มีกฎหมายก็จะมีเจ้าหน้าที่บ้านเมืองมาตามจับเรา <ừ. S 1> ถ้าจับเราได้เราก็ต้องถูกจับลงโทษถูกไปจับขังคุกขังตาราง <ừ. S 1> ความสุขความเจริญที่เราได้ก็จะไม่มีจะมีแต่ความทุกข์ความเสียหายปรากฏขึ้นมา <ừ. S 1> <ừ. S 1> ดังนั้นเราจึงควรพยายามละอบายามุขถ้าละอบายามุขได้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 จากลาบยศสรรเส ร, ริญจากรูปเสียงกลิ่นรสอยู่นั่นเองนี่คือความรู้ที่เราจะได้รั บ, รบจากถ้าเราไปศึกษาจากผู้อื่นถ้าเราไม่ได้ศึกษากับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ถ้าเราไได้มาศึกษากับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ท่านจะสอนว่าอย่าไปหาความสุขจากลาบยศสรรเสริญอย่าไปหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสเพราะว่ามันเป็นความทุกข์ทุกข์เพราะว่า